ดังราชสีออกจากถ้ำฉะนั้นเด็กสองคนนี้ปรากฏเหมือนหล่อด้วยทองคำทีเดียวแน่าระทวาชพรามท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนหนอท่านมาจากไหนลุถึงแว่นแคว้นของเราในวันนี้ชูชกทูลว่าข้าแต่พระเจ้าสัญชัยสมมุติเทพ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 พระองค์ใดเป็นที่รองรับของเหล่ายาจกผู้มาขอเหมือนสาครเป็นที่รองรับแห่งแม่น้ําทั้งหลายซึ่งไหลลงไปฉะนั้นพระองค์นั้นคือพระเวสสันดรราชซึ่งเสด็จไปอยู่ป่าได้พระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาแก่ข้าพระองค์พวกอมาทูนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย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 พระเวสสันดรราชประทับอยู่ในป่าจะพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างไรเล่าพระองค์ควรจะพระราชทานทาตทาสีม้าแม่มาอัสดรรถช้างกุญชอนทำไมจึงพระราชทานพระราชกุมารทั้งสองเล่าพระชาลีราชกุมารทูลว่าข้าแต่พระอัยกาทาตม้า แม่ม้าอัสดรรถและช้างกุญชรตัวประเสริฐในเรือนของผู้ใดไม่มีผู้นั้นจะพึงให้อะไรพระเจ้าค่าพระเจ้าสันชัยตรัสว่าแน่พระหลานน้อยปูส่สรรเสริญทานแห่งบิดาของเจ้านั้นปู่ไม่ได้ติเตียนเลยอาไยแห่งบิดาของเจ้าเป็นอย่างไรหนอเพราะให้เจ้าทั้งสองแก่พราหม์แล้ว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 พระบิดาเจ้าขากล่าวกระหม่อมชั้นทั้งสองถูกปีศาจนําไปชไหนพระบิดาจึงทรงนิ่งดูดายเสียเล่าหนอเพคะพระราชาตรัสว่ามารดาของเจ้าทั้งสองเป็นราชบุตรีและบิดาของเจ้าทั้งสองเป็นพระราชบุตรแต่ก่อนเจ้าทั้งสองเคยขึ้นตักของปู่บัดนี้เหตุไรจึงยืนอยู่ห่างไกลเล่าหนอ พระกุมารทูลว่าพระชนนีของหม่อมชั้นทั้งสองเป็นพระราชบุตรีพระชนกของหม่อมชั้นทั้งสองเป็นพระราชบุตรแต่หม่อมชั้นทั้งสองเป็นาธาตุของพรามเพราะฉะนั้นหม่อมชั้นทั้งสองจึงยืนอยู่ห่างไกลพระเจ้าค่าพระราชาตรัสว่าล้านรักทั้งสองอย่าได้พูดอย่างนี้เลยพรทยของปู่กำลังเร่าร้อน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 หลานทั้งสองจงบอกปู่ตามจริงเถิดพนักงานทั้งหลายจงให้พรามรับเอารั์ไปพระกุมารตรัสว่าข้าแต่พระอัยกาพระบิดาทรงตีราคากล้ากระหม่อมชั้นมีค่าทองคํหนึ่งพันแท่งทรงตีราคาพระน้องกันหาชินาผู้มีพระพักอันผ่องใสด้วยสัตว์พาหนะมีช้างเป็นต้นอย่างละร้อยละร้อย แล้วได้พระราชทานแก่พรามพระราชาตรัสว่าเวยพนักงานเจ้าจงลุกขึ้นไปนำทาตทาสีช้างโคและโคอุตสภะอย่างละร้อยกับทองคำหนึ่งพันแท่งเอามาให้แก่พรามเป็นข่าไทยพระหลานรักทั้งสองพระศาสดาตรัสว่าลำดับนั้น นายพนักงานรีบไปนำธาตุทาสีช้างโคและโคอุสภะอย่างละร้อยกับทองคำหนึ่งพันแท่งเอามาให้แก่พรามเป็นค่าไถ่สองพระกุมารพระเจ้าสัรชัยศิวิราชได้พระราชทานธาตุทาสีช้างโคและโคอุสภะแม่มาอัสดรรถและเครื่องใช้สอยทุกอย่างอย่างละร้อย กับทองคำหนึ่งพันแท่งแก่พรามผู้สแสวงหาทรัพย์ผู้ขอเกินประมาณยาบช้าเป็นฆ่าไทยพระกุมารทั้งสองกษัตริย์ทั้งสองคือพระเจ้าสัญชัยและพระราชเทวีทรงไทยพระกุมารทั้งสองแล้วรับสั่งให้พนักงานทรงสนานและให้พระกุมารทั้งสองเสวยเสร็จแล้วทรงประดับประดาด้วยอาพรทั้งหลาย แล้วทรงอุ้มขึ้นให้ประทับบนพระเพลาเมื่อพระกุมารทั้งสองทรงสงสนารพระเสียรแล้วทรงพระภูษาอันสะอาดประดับด้วยสัมภาร์แล้วพระราชาผู้พระอยกาทรงอุ้มพระชาลีขึ้นประทับบนพระเผลาแล้วตรัสถามเมื่อพระกุมารทั้งสองทรงประดับกุณฑลอันมีเสียงดังสนเอน่าเพลินใจ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 ยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยหรือในป่าอันเกลื่อนกลลไปด้วยพาลมาลึกไม่มีมาเบียดเบียนหรือพระชาลีกุมารทูลว่าขอเดชะพระชนกชนนีของเกล้ากระหม่อมชั้นทั้งสองพระองค์นั้นไม่มีโรคอันหนึ่งทรงสแสวงหามูลพลาหารเลี้ยงพระชนชีพได้สะดวกมูลพลาหารมีมาก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 เพราะถ้อยคำของกล้าวกระหม่อมชั้นขอให้พระอัยกาสเสด็จไปอภิเศกพระราชโอรสด้วยราชูประโภคด้วยพระองค์เองเถิดพระาศาสดาตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าสัญชัยได้ดำรัสสั่งเซนาบดีว่ากองทัพคือพลช้างนลม้าพลรถคลเดินเท้าจงผูกสอดอาวุธจงเตรียมให้พร้อมสัพ ชาวนิคมพราหมณ์และปุโรหิตทั้งหลายจงตามเราไปถัดจากนั้นพวกโยธีหกหมื่นนายผู้สง่างามพร้อมศัพท์ด้วยเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ประดับด้วยผ้าสีต่างๆกันจงตามมาเร็วพัน์พวกโยธีผู้พร้อมศัพท์ด้วยเครื่องอาวุธยุทธพัณฑ์ประดับด้วยผ้าสีต่างๆกันคือพวกหนึ่งแต่งผ้าสีเขียวพวกหนึ่งแต่งผ้าสีเหลือง พวกหนึ่งแต่งผ้าสีแดงพวกหนึ่งแต่งผ้าสีขาวจงตามมาเร็วพลันภูเขาคันธเมิดอันมีในป่าหิมพานสะสพรั่งไปด้วยคันธชาติดารดาษไปด้วยพฤกษานานาชนิดเป็นที่อาศัยอยู่แห่งมูสัตว์ใหญ่ๆและมีต้นไม้เป็นทิพโอสถย่อมสว่างสวยัยและหอมไปทั่วทิศฉันใดเหลาโยทีทั้งหลายผู้พร้อมศัพ์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 เสันดอนโอรสของเราจากเสด็จมาโดยมักคาใดๆตามมักคานั้นๆจงให้โปรยข้าวตอกดอกไม้มาลายของหอมและเครื่องรูปไล้และจงให้ตั้งเครื่องบูชาอันมีค่ารับเสด็จมาในบ้านแต่ละหมู่บ้านจงให้ตั้งหม้อสุราเมรัยรับไว้หมู่บ้านละร้อยละร้อยเรียงรายไปตามมักคา ที่เวสันดรโอรสของเราจักเสด็จมาจงให้ตั้งมังสาหารและขนมเช่นขนมแดกงาขนมกุ้งมาดอันปรุงด้วยเนื้อปลาเรียงรายไปตามมักขาที่เวสันดรโอรสของเราจักเสด็จมาจงให้ตั้งเนยใสน้ำมันนมส้มนมสดขนมที่ทำด้วยข้าวฟ่างและสุราเป็นอันมาก เรียงรายไปตามมัขาที่เวสันดรโอรสของเราจาักเสด็จมาให้มีพนักงานพิเศษทั้งครัวหวานและครัวข่าวจัดตั้งไว้เลี้ยงประชาชนทั่วไปให้มีมหระพฟ้อนรำขับร้องทุกทอย่างเพลงปลบมือก้องยาวคนขับเสภาผู้บรรเทาความเศร้าโศกพวกมหโหรีจงเล่นดนตรีดีดพิน พร้อมทั้งกลองน้อยกลองใหญ่เป่าสังตีกลองหน้าเดียวประโคมตะโพนบันดาะสังจะเข้กลองใหญ่กลองเล็กเรียงรายไปตามมคาที่เวสันดรโอรสของเราจักเสด็จมาพระศาสดาตรัสว่ากองทัพของสีพีรัตเป็นกองทัพใหญ่อันจัดตั้งเป็นกระบวนไว้เสร็จแล้วนั้น มีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางได้ญาตราไปยังเขาวงกตช้างกุญชรตัวประเสริฐมีอายุหกสิบปีมีสายรัฐประคนทองผูกตกแต่งไว้บรรลือกล้องโกนจนาะกระหึมอยู่เหล่าม้าอาชาในย่อมแผดเสียงดังสนัน่นเสียงกงรถดังกึกก้องธุลีละ อ, องฟุ้งตลบนภาอากาศกองทัพของสีพีรัต อันจัดเป็นกระบวนญาตราไปเป็นกองทัพใหญ่สามารถจะทำลายล้างราชดศกรได้มีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางได้ญาตราไปยังเขาวงกฎพระเจ้าสัรชัยพร้อมด้วยราชบริพานเหล่านั้นเสด็จเข้าป่าใหญ่ซึ่งมีต้นไม้มีกิ่งก้านมากมีน้ำมากดารดาษไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองอย่าง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 มหาราชบัพพะจบ